เอ้ามานั่งยืนเฮ้ยเอ้ามันสุดที่แสดงทุกประวัติเนี่ยถ้าขากูนี่จังได๋บาดนี้แล้วบาดนี้ว๊กั่นใจอยู่เท่านั้นโอ้ยมาภาวนา แล้วเป็นหมู่ผีตำบันเด้อเฒ่ายานพอเฒ่ายานเว้าให้พระหนุ่มฟังติระบาดนี่หลวงปู่พยายามผูกก็พยายามคือกันครับเพราะว่าอยากเจอก็ล่ะครับหลวงปู่ <laughs> ตกไปเพิ่นก็ย่างจนก้มปึ๊บบึ๊บบึ๊บคือกันบ่มีไม่กลัวกลัวไม่มีไม่ไม่กลัวโปโตโปโตหมอล้ําก็คือเว้ากันแนวนั่นฮะมะรถโผดพะโล ก็จริงนั่นน่ะแวดล้อมเนี่ยน่ะที่จะมามันส่อนเล็กน้อยถึงหนังเอ้ยบาดมี ผมติดตามเดือนผมที่ซื้อค่าทำนาโอ้ยดีเหลือเกินกำลังใจลูกเอ้ยมักชื่อพ่อ แม่ก็ไม่ไปรับลูกกลับโรงจากโรงเรียนเสื้อผ้าของลูกไม่ค่ะมีจะช่วยล้างจานให้แม่ก่อนไม่อายเค้าลูกแต่ชุดนักเรียนเป็น 20 มา เพิ่นแจ้งผู้บ่าวก่อนบางโรงเรียนอาตมาไปเทศโวยบ่ได้โรงเรียนทางเที่ยงนี่ไปไปไปไปๆๆกูเดียวไปไปเบิดผู้บ่าวคนนั้นนี่ผู้ชายนั่งนี่เขาลง คู่บ่ฮู้เป็นอีหยังสมว่าผ่านเบิ่งติลักษณะนั้นเพื่อเธอหูยบ่ว่าว่าเอา บ่ทันนักเรียนคือว่าสังคมมันเป็นแนวนั้นบาดนี้เถิงหนังเถิงบ่ล้ําทิ้งโอ้ยบ่ว่าเป็นแต่เด็กน้อยผู้เฒ่าที่ตายก็เป็นเฒ่าจน 60 กว่าแล้ว ลองมาน้ําทิ้งเบิ่งแหเต็มเลยข้างหน้าฮ้านนั่นเท่าอยากเปิดใหม่เป็น จะให้หลายเห็นก็ใส่สัตว์คอดเสื้อวีใส่เขาบ่ๆคู่ 2 หน่วยเป็น 5 Si tai l'hu cha khau wa t, khau wa t, khau wa t Nhanh, bai xoay xoay kut xong ngôi pen hạp dhuk Thay kha chib wa chak Chama si o yang la xoan luk wa t Hao si tai kha phehidn, bahu cha khau wa t, khau wa t, khau wa t, khau si tai kha phehidn, bahu cha เจ้าว่าลูกเต้าเล่าหลานมามื้อนี้เด้อลูกเด้อได้ยินบ่ล่ะโถกัน ตัวปลูกมั่นมันกําลังงามให้คนตาให้ยาวนี่ยังก็บ่แล้วโลกแล้วก็สิดึกอ่ะมันว่าขุนมา น่ะนี่เวลาปัดนาฎิกามันจังบ่วงโพโบะเติบใหญ่โอ้แม่มันเก็บบาดบ่อุยจะมันลูกดีคักโหยังบ่แม่แม่ดีหรือมันลูกดีบาทนี่แม่บ่ เอาไปเอามาบาดนี้ลูกเฮ็ดหยังบ่เป็นพ่อแต่แม่เด้พ่อแม่นี่โอ้ยรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีได้อีความทุกข์สอนคนให้ มันโอศกันความปดกันเป็นทำเครื่องเผาเจรียดอย่างยิ่งท่าเป็นคนธรรมดาสูทุกสูญ่ากเก็บเก็บห้อมร่อมลิบซอยพอซอยแนะตื่นลักรูกเต่ามากปุงนั่นปุงนี้เพราะได้เศ้วบ้าวนิถูกหรอสิงปะตูกหญ่วันอย่างพอแม่มั้ยก็คี่ค่านรูกมันก็คี่ค่า บ่ได้บ่นโทรธาณแล้วก็ง่ายท้วนโดดสิกราบผ้าบ่คือเฮาผู้นี่ <aquí> เพิ่นขึ้นไม้นางลุกบ่ลุกกูน้ําสาตเด้อว่าซั่นใส่มันโลดลูกมาลูกโลกเพชเจ้าว่าจะฮู้บ่ล่ะเศรษฐี ครับแล้วจะตางซื้อมันแห่ที่ต้นมันเอาไปเอามาเค้า นี้มาข้ามเมืองลาวมาจนมาอยู่เมือง ไม่ค้านอันแรกของเตี่ยเขาเค้าปิดฮะอันห้องค่ําไป ก็เป็นหนีแล้วพอมันสิขาดบ่สานลูกสานเต่าไปเวียดนามนั่นข้างโรงเรียนเว้นๆนึงซ้ําให้หน้าพันบางๆ เลียงหมูนั่นตัวนึงหมูก็ขี้ลงหั่นคนก็ขี้ลงหั่นงาม จะบ่มันติแต่ใด๋เขามาสิเป็นหนี้สกสก็บอกมึงเจ้าก็มีรถที่ทําขี้พุ่นบ้านเฮานี่สิคานจังว่าเอาหยังสอนลูกโทรทัศน์สอนบ่ปุกอยากอายเขาบ่ไปเด้อถ้าบ่ซื้อ พอพ่อข้าวแล้วน่ะมันก็แง้งแง้งแง้งเอา 3 รอบอันเอาเสาไฟฟ้าเป็นเด็กปั๊กเออนั่นก็ขาหักบ้านแม่ก็ทุกข์พ่อก็นบๆถุ โอกาสลูกรามนี่ไปโรงเรียนน่ะถ้าแม่กราบพระในรูปอรหังสัมมาเนี่ยบ่มีเขาจะ หันมาบ่อมากะมันเอาติกมาท่าอะลืมติกบ่ท่าท่าปากผมโหเออเอามาว่าแถวราชสีนี่พ่อน้องก็แน่แต่พี่แม่ใหม่ย่องเอาจังซั่นล่ะบัดนั้นมา จูงแข่งกันจักรจักรประวัติผัวบ่เคยไปจักเทื่อก็ไปบาดเป็นหยังล่ะคือบ่เคยเห็นมาวัดตั้งเถื่อก็มาถึงผัวถึงเมียแล้วเถอะโอ้ยฝันบ่ดีมื้อเคร้นี่แน่หมายยำกันหน่อยหดน้ํามนต์แหน่คันหน่อยมีอันใดดีก็มากันแหน่คันหน่อยมิจะน้ําฮ้อนแล้วสิ Bó dọc bó hóa xa đọc. Bó lắng khuân là bó cà pha đọc. Mùi đáy bó ọc, mùi ướn bó ọc. Phá cho phai hát chiếc bọc mày. Thế là đọc phút xuống phú phà phá. Thầy cúi né chất hạ khu phá đẹp. Đẹp mới là cái cha thú đơ. Phá phút พอเบิดนี้เบิดกินแน่พุ่นน่ะเสียต้องมาอีซ่อะห่างขึ้นมาชะปุโทภควาข้างข้างน่ะมามีเพิ่นว่าบาดโอ้ยจะฝึกเบอร์เจ้ามาทั้งข้างคนรวยไป บ่มีว่าเข้าไปธนาคารครับผมรวยมากครับท่านอาจารย์จะสร้าง 2 ล้านนะครับบ่มีมีแต่โอ้ยขน้อยจนมันทุกข์หลายแท้เด้เพิ่นว่า แน่กระซอยขน้อยแน่ขน้อยไปนี่ท่อก็ท่อจบบ่มีก็ให้ผ้าบ่ซอยเพิ่นว่าเจ้าสิไปบ่เฮ็ดดีให้มาบวชทําการติเราอาตมาก็ว่าระวังเอาให้มา <S an> ไปพอบ่ไปไปอีกแล้วบาดนี่ต้องบ่ลองบอกข่อยหน่อยมาแต่ไสแล้วข่อน่ะมาโอ้ยข่อน่ะอยากได้โซ่ได้ลาบนี่แล้วข่อน่ะยอมโอ้ย คนบ่สร้างบารมีอีหยังพ่อนาพระอยากได้เจดบื้อโอ้ยบ้านเจ้าบุญหลาย อีลูกสาวหล่าเป็นได้แพทย์พอแล้วพ่ออยู่พ่อกินเป็นยังบุญอยู่ดอกไปท่านน้ํา แต่ว่าอาตมานั่งอยู่วัดบ่มีหยังมีแต่ผู้ขี้ทุกข์เคยหามันโอ้ยพัดแหล่ซ้ําเพิ่นนั่น ถ้าลิปสติกปากบานพะเว่ไปก็กราบกราบก็โอ้ยมาได้ไสล่ะพุ่นขนาดมาแต่กั้นทราบมาหยังเอ้ยมัน เพราะจะกว่า van่า ฟืด m assim Amelia เธอ cáiถุค พวกมันเยียม a版о perder อ่ะมี กบิ่isi shrimp ヤ Wait a Belgian โอ๊ย במע diffusion เป็นต้ stressing durant ไปจนได้ได้โคคืนกันน้อยเพราะว่าเอ้าสิบ่ให้ถ้าบ่ไปนําบ่ผัวจ้ะมาได้ได้คืนอยู่ซ่ําบ่มันก็ดีแล้วตกก็ได้ผัวได้เมีย กระดาษธรรมดาแล้ววินี่อย่ามาว่าดึกได้พกขึ้นโอ้ยเฮ็ดจังได๋นอกบ้านนี่น้องว่าซั่นดอกเราให้เกลียดผัวแน่ไปด่าเขาครูย่ามหลายเขาก็ป๋าเอาแล้ว โอว่าแห่ยังหัวหยองปากหวานผัววัวยังท่าลิปสติกแดงหยิบพอดโอ้ยแต่งโตบ่เข้าสูตรซะว่าธนาก็บ่เว้าให้เราดอกก็เข้ามาเข้าในตี้ที่บ่ขอเขาขึ้นแล้ว <c ười> <c ười> ถ้าใส่ปัญญาซั่นตัวฮู้ว่าผัวเจ้าสู้มันนอนหยัง 1 เฮาปากประแดก 2 กับเขาบ่แซบ 4 Tho, thằng xe xe ngăn căn màn, mẹ hẹt nhắn bò thử, căng tô bò di bò, bạc phở vơ bạc. Thằng mua chắc bò xua, thằng mua chắc bò xua, ôi, แม่ผิดโดยกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีมันเป็นจังได๋โอ้ยผัวแท้ให้กราบงามๆเด้อค่ะเด้อ แต่ได้ผัวขึ้นแต่พ่อผัวเดี๋ยวนี้บ่มีตัวอืมเห็ดต้องพอน้ำแม่ก็บ่ เจ้าว่าผู้ใดอยากเจริญก้าวหน้าบาดนี้แม่นได้ผัวก็ยายไปค้ำผัวมาเอาบุญมื้อนี้ก็ปฏิบัติหลายมื้อก็เอาบุญมานําให้ยินเมื่อนํา นั่งไปฮอดหน้าวัด 3 ตอบผู้ก็บ่ทา่ต่ําเมื่อแล้วบ่รีตีนค้างซะก่อนสิเซาะละบ้องเพิ่นหัว เป็นเจตที่นี่เรียนบ่เก่งก็สั่งมันจะเสียงแม่แม่ใหญ่มารักษาศีลมาจองเบิ่งคือแม่ดมบังศีลเหล้าเหล้าเหยาะไส ดมกิ่นแม่นี่ดมอี่แม่แห่งขีติบุญซ้ํามันเตื้อเราปวดเราอันกินตะบ่หุ่งกับลูไปบ่ทันสิตดตอนใหญ่ครับที่ไปบ่ทันก็ขี่ใส่กระโถนว่าอาตมาเหม็นกุ้มบ่แม่นอีหยังว่าสวมไผ ปัดอย่างฮอคือบัดนี้เอามาซะดีเท่ากิฏิบุญมันนั่นแม่ ตื่นก่อนแม่นึงข้าวนึงปลาใช้บาทหัดตําแจ่วคาแรจําเป็นบ่เล่านึงพักตําใส่เออตําแล้วก็บีบบักเจาะจักหน่อยบักพริกดิบ อาเทศแน่นั่นอืมศรัทธาสักแฟ้งให้เพิ่นผู้จักขอเข้ามาให้เพิ่นสิไปอืมอาตมานี่ก็เฮ็ดน้ำครูบาอาจารย์เออ พระองค์ใดบวชแล้วหนีคู่บาอาจารย์บ่อุปถากอุปถ่าอาจารย์ แต่ลูกผู้นั้นฮักพ่อฮักแม่แฮงแฮงพ่อแฮงแม่แฮงบ่อึดกินเอ้ยบ่แม่นว่าอาตมาที่อาตมาบวชนี่ก็เออพ่อนั่นมาแม่ กราบพ่อกราบพระคุณเพิ่นเพิ่นให้กำเนิดเออคุมื้อยังเสร็จขี้อ่าไผ แล้วอาตมาไปอยู่บ้านสวนกล้วยนี่ไผสิอยากไปอยู่